ควมชั่วก็ไอ่ไดละอะไรเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่ทํำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือ ว, ว่าคน ร, รมเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุไม่มีใครเห็นนอกจากตัวเราเองให้เหมือนเราสร้างบ้านสร้างเรือนทำาหม่นไปเกิดขึ้นว่าอาศัยวัตถุอาศัยทรัพย์เ ง, งินทองอาศัยเลี้ยงแรงหลายผู้หลายคนร่วมร่วยช่วยกันเหมือนกับหอไตจนี้เราก็ต้องสร้างขึ้นมา ตั้งชื่อให้เป็นหอไตมันก็ใช่ได้แต่ก่านนี้ลานหินโค้งมีแต่ป่าพงป่ายะขาแล้วก็สร้างป่าขึ้นมาสร้างต้นไม้ขึ้นมาโดยการกระทำปลูตกต้นยางนาต้นตะเขียนทองต้นพยอมต้นอะไรเยอะๆขึ้นมายาขาก็หมดไปป่าพงก็หมดไปก็เกิดเป็นป่าขึ้นมาสิ่งเป็นร่มก็ดีไฟก็ไม่ได้ไหม้ไม่มีเชื้อให้ไฟไหม้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 เอาใจคิดว่ามันยากเอาใจคิดว่ามันง่ายเอาใจคิดว่าทำได้เอาใจคิดว่าทำไม่ได้จะเลยไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ร้องออกการกระทาบุกเบิกไม่ต้องใช้เหตุใจผลอันใดไม่เหมือนเราทำนาทำไรต้องวางแผนจา้างไถรถไถมาไถาต้องวางแผนทาซื้อพันอ้อยพันมันฝนตกฝนแรงก็ต้องเอาเสยทิ้งอื่นก็ยังทาได้ น, นี่การกระทําการเจริญสติกรรมฐานแน่ยไม่ต้องอาศัยอะไรมันมีพร้อมอยู่แล้วกับตัวเรานาะตอนที่จะมั่นใจในการทํากรรมฐานแน่ไม่ใช่เราทํำคนเดียวมาคิดค้นขึ้นมามีบุรองมังกรพระจัตเดาเหล่าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายครูอาจารย์จนมาถึงพวกเราตัวแน่มันก็อุ่นใจอาหลวงพ่อเทียนเห็นตัวหลวงพ่อเทียนอยู่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 จะเอาอะไรมาต่อรองกับตัวเราแล้วเราต้องศึกษาดูดีๆไปเอาอะไรมาต่อรองไปอะไรมาอ้างเอาความหนุ่มความเจรเอาเพศเอาวัยหรือมาอ้างเอาละทินในไก่เอาจริตนิจใจมาอ้างไม่ใช่มันอยู่กับเราแท้ๆให้เราดูดีๆมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็มาบอกกันดูมาบอกกันช่วยกันดูขนขวอยทั่วของเพื่อน ภิกษุสามเณนญาติโยมญโยมค้นขวยช่วยกันนะเอากันจริงๆลงโงดตั้งเป็นสถานที่เป็นแหล่งเป็นตักกะชิลาในการศึกษาและนี่ลองดูจริงๆมาพิจูดกันดูอย่าไปอาศัยคนอื่นเอาตัวเองไปพิจู์แม่คนพิการเดินไม่ได้กระดูกกระดิกไม่ได้มีแต่หายใจก็ยังทําได้เราได้เดินไปไหนมาไหน อะไรก็ช่วยตัวเองได้ทุกอย่างมันหลงก็ช่วยตัวเองมันร้อนก็ช่วยตัวเองมันกินวันท่ายก็ช่วยตัวเองคนวิการเนี่ยก็อเสียก็เหนื่อช่วยเขาอยัางเพียรพยายามเช่นอาจารย์กัพลน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังหลายประเทศแล้วแปลภาษาต่างประเทศเผยแพร่าาไปเป็นการโล่สังคมโล่อมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเราเน่ไปอ้ออ้อแอู่ทําไมต้องศึกษาต้องตั้งใจปฏิบัติ เอาอย่างคนดีอย่าเอาอย่างคนชั่วเอาอย่างความดีในเราด้วยเอาอย่างความชั่วในเราด้วยเห็นมันเราก็เ mm. บื่อหน่ายความชั่วความหลงความทุกข์ความเกิดเจ็เ จ, เจ็บตายน่าเบื่อเราจะต้องรอวันนั้นให้ถึงโอกาสจากนั้นน่ะคอยล้องโงมลองไห้หัวเราะดีใจเสียใจเพราะเรื่องด้านหรือเราต้องศึกษาเรื่องอย่างนี้มันไม่มากมายอะไรที่เราจะเรียนไม่ได้รู้ไม่ได้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 ก็ยังค้นคว้าว่าเป็นยาวิเศษสารพัดประโยชน์ต้องเอารื้อมากินรักษาโรคได้สารพัดอย่างเขายังคิดได้อันนี้ตัวหลงตัวรู้เนี่ยไม่มีเครื่องมือพิสูจน์เอาตัวเราสัมผัส ด, ดูมันรู้เป็นยังไงมันหลงเป็นยังไงสัมผัส ด, ดูต่อดูชีมดูความหลงความรู้มันถูกต้องไหมอะไรมันถูกต้องสัมผัสดูสัมผัสไปสัมผัส ม, ผมา หลายข้างหายข่าวมันก็เห็นเห็นความหลงเห็นความรู้มันต่างกันแล้วก็เปลี่ยนมันเราก็เพราะมันหลงแท้แท้มันจึงรู้เพราะมันทุกข์แท้แท้มันจึงไม่ทุกข์เพราะมันโกรธแท้แท้มันจึงไม่โกรธนี่คือของจริงของจริงไม่มีคําถามมีแต่คําตอบจะให้พูดอะไรต่อไปหรอจะให้บอกอะไรถ้าไปบอกกันอย่างนี้นะจะให้หลอกลวงกันอ่ะชอบหลอกเลอ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 ต้งสอสอไปร่างรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆมากมายเรื่องมันไปใหญ่ขนาดนั้นมันอยู่กับเรา<ม>จรึงมาเอากันอย่างกื่ระดูลาดับลํานําติดตามมันเมื่อเราท่องหนังสือติตามมนันทุกวันทุกวันก็ติดได้แล้วก็ต้องปฏิโมกไม่ถึงเดือนก็จบได้บางคนท่องธรรมาจาักไม่ถึงเจ็ดวันก็จบได้ถ้าลําำเลยดี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 อย่าไปเอาวันนั่นมาอ้างเอาการกระทำเอาความพยันของเราลู่บ่อยๆลูไปไป่บ่อยๆวัตถุที่ลู่ก็มีอยู่กับเราแล้วสร้างเงินมารูปแบบก็มีแล้วเอาจากเราเนี่แหละเดินเจงกรมสร้างจากว่าหายใจเข้าหายใจออกมันมีวัตถุอุปกรณ์ออกมาสร้างความรู้วัตถุอุปกรณ์ที่มันเกิดความหลงก็มีอยู่ด้วยกันนหลวงพ่อเทียนบอกว่ า, วาเอาจิตดูจิตเอู้จิตมันก็ดูจิตนั่นแหละอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตเอาจิตนั่นแหละดูมันลู่ วิญญาณถ้ารู้อยู่กับจิตแล้วก็รู้อยู่ในตัวมันไม่ได้ไปหาวัตถุอะไรหนึ่งสองไม่เี็ในตัวมันเองมันลมก็รู้อยู่ในนั้นมันทุกข์มันก็ไปทุกข์อยู่ในนั้นเกิดมันก็ไปเกิดอยู่ในนั้นมันแก่มันก็ไปแก่อยู่นั้นมันเจ็บมันก็ไม่เจ็บอยู่ในนั้นมันตายมันก็ไปตายอยู่ในนั้นมันก็ขนาดนี้เหลรอไปอ้อนวอนนบมือขอไหว้ขอกราบอะไรต่างๆโอ้ยหยุดแล้วพวกเราเรื่องอย่างนี้มัน มันล่าสมัยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต้องเกิดจากการกระทำของเราเราจึงต้องมาปฏิบัติปฏิบัติคือมาทํากรรมฐานเยยนป็นชีพให้ขยันรู้การขยันรู้เป็นภาวนากรรมฐานภาวนาภาวนาใหม่ศีลใหม่ฐานใหม่ภาวนาไ ม, ม่เนี่ยสูงสุดเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากภาวนาเนี่ยสูงสุด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 ผมโกดมทาให้เรารู้เอาประโยชน์จากมันเรียกว่าหนามย่อกับหนามบง่งตัวมันใช่มันเห็นชาวนาทํานาขายข้าวเอาเงินมาทํานาได้ส่วนเหลือเนื้อมันในมันที่วิตเราก็เหมือนกันถ้าฉล า, าดมันก็ใช้การมรุษารทำในตัวมันเพราะมีความเกิดแล้วก็ไม่มีความเกิดเพราะมีความแก่ก็ไม่มีความแก่มีความตายก็ไม่มีความตาย เรื่องย่างนี้คนโบราณเช่นพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์ได้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็พวกเห็นมาแล้วได้มาบอกได้มาสอนพวกเราชีวิตของเรามล้วก็ไปเสด็จกลัวจัดทั้งหลายมันฝึกได้เหนือการเกิดแเจ็บตายอย่างนัช่วยกันให้หลายคนให้ความรู้เกิดขึ้นหลายๆคนอย่าให้มีคนเดียวมันจึงจะ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 เราไปสูบบุหรี่ไม่มีอะไรซึ่งเป็นพิษเป็นแพต่คน อ, อื่นไม่พอคนอื่นเขายังสูบอยู่เราก็เดือดร้อนเกิดเป็นปัญหาจึงมาช่วยกันมาช่วยกันมาบอกกันมาชวนกันจับแขนจับมือดุงดึงกันไปใครล่าใครเหนเหื่อยก็รอคอยกันอย่าทอดจะทิ้งเอาไม่เต่าตั้งเน้นน้อยมาให้มานอนฟังก็ได่น่ารักดี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 ย้อนการุณาวิดาวเกิด ข, ขึ้นในใจของเราเอาให้มันขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่าให้มีความโลภความโกรธความหลงอนนันเราเทิ่งบายมันด้วยการกระทำของเราเหมือนต้นนิโคอยู่รงอาทานมันเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือหลวงพอ่อเป็นต้นไม้ขึ้นมาที่เป็นต้นไม้ขึ้นมาเฉยเอา้าวออกลูกออกดอกออกผลกัลอกกแต่นกก็ได้ไมากิน ให้มีเหลี่ยมไห้ตัวเองบ้างคนเราน่ะอย่าไม่ทําอะไรเลยถ้าไม่ทาอะไรก็ทําตัวเองให้เป็นคนดีอย่าเบียดเบียนต้นอย่าบีดเบีนคนอื่นอย่าทําตอนให้เป็นทุกข์มันก็ดีแล้วเราจะมาให้มีเหลี่ยมไห้ตัวเองบ้า ง, <S <S างเลิกสบุ่รีไรก็ไหวตัวเองได้เลิกหลงไรก็ยิ่งดีประเสริฐเลิกทุกข์ได้ก็ประเสริฐเป็นจัดประเสริฐ ไดเป็นพระด้วยชีวิตประเสริฐได้เลยไม่มีอะไรที่จะกินแหน่งแกงไก่ตัวเองไม่ใช่เป็นชีวิตบักผมปกปิดซ่อนเล่นเหมือนบอกที่ทิ้งขยะมนต์ผอยเน่าในเปียกแขะอย่าให้มีให้บริสุทธิ์ผดผ่องผมบริสุทธิ์ผดผ่องนะั้นมันดีดีนะถึงเขาไหนมันก็ดีเราไม่มีอะไรที่จะกินแหน่งแกงไก่ตัวเองเพราะเราทําดีมานาน หนึ่งวันแล้วมีความรู้ผมไปทาบาปทํากรรมลายสองวันก็รู้อยู่ดูแลตัวเองอยู่สามวันก็รู้อยู่ดูแลตัวเองดู่ี่วันห้าวันหกวันรู้อยู่มันก็ค่อยจาดไปค่อยจาดไปไม่มีอะไรกรรมก็ไม่มีกรรมใหม่ล้างบาปออกไปเพราะตัวรู้เป็นสิ่งที่ล้างกำลัออกไปไม่ใช่น้ํา ร่างความบาปล่างอากุศลคือความรู้จักตัวเหมือนกับน้ําทิพย์ร่างบาปล่างอกุศลออกจากกายร่างาาาาใจเหล่าเพราะรู้จักตัวก็ทําความดีรู้จักตัวก็ละความชั่วรู้จักตัวก็จิตก็บริสุทธิ์ไปบริสุทธิ์ไปมันเป็นอย่างนี้สองข้อขยันขยันเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็หมดความขยันบ้างแล้ว บางทีก็ไม่ไม่เสะดวกบางครั้งก็ไม่มีเสียงเพราะเป็นเดนของโลกร้ายนันเอาตายไปแล้วก็เป็นเดนไปมันก็เหลืออยู่พลังที่จะมาเอากันจริงๆล้วก็หมดไปจึงอาศัยพวกเรามาช่วยกันพิกตูนีธรรมากีตาก็มาช่วยกันนะอยากได้ผู้หญิงอยากได้พิกตุณีเป็นพลังในการเผยแพร่ เพราะผู้หญิงเนี่ยดูสิ่นั่งอยู่เนี่ใครมากกันมีแต่ผู้หญิงมากกว่าใครบาทตอนเช้าใครเสรให้เรามาจังหวันมาเพนใครบามีแต่ผู้หญิงจากนั้นมาช่วยกันมาร่วมกันสร้างหลวงพ่อก็พอมีปัญญาที่จะสร้างภิกษุณีแม้แต่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์สมัยุกวันนี้ไม่ไม่เปิดโอกาสเราก็สร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาให้มันดีขึ้นมา เป็นประโยชน์ให้เกิดจต่าแจกผู้คนให้เกิดคุณภาพขึ้นมาในหมู่คนทั้งหลายเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยมีหลักเท่าไหร่เชื่อไปแต่พฤตื้นๆไปถ้าหมกกันยังจีอย่างนี้น่ะปฏิเสธการบอกการสอนแบบหลวงพ่อพูดเนี่ยก็เหมือนกับปฏิเชตตัวเองจะปล่อยให้เราหลงเหรือจะปล่อยให้เราทุกข์หรือมันเปลี่ยนความหลงได้อยู่ทําไมไม่เปลี่ยน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 ทำบาแบงก็ย่อมเจ้าหมองเองไม่ทำบาแบงก็หมดจดเองความเจ้าหมองเขาหมดจดเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะยังท้องอื่นให้เจ้าหมองหมดจดหาไม่ได้อัตนาวัตตังว่าบังอัตนาวัยสุติยาสุติอสุติปัจจานังอันโยอันยังวิโสทะเยคาถาพิสดุส์กล่าว่าอย่างนี้เพราะนั้นเราจึงมีการกระทำให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำได้ด้วยเราก็อบอุ่นอยู่ที่นี่ นั่งอยู่นี่ก็คือพระสงฆ์มีตัวมีตนมีไม่ใช่โง่เงาทั้งหลาอยู่นี่ก็มีแต่ปัญญาสามาที่จะเชื่อมัน่นเรื่องนี้ว่าเน้นก็มีน้าโยมก็มีที่อยู่อาศัยก็มีข้าวปลาอาหารก็มีพอที่เพิ่งไาอาศัยกันได้จะเอาที่ไหนประเทศใดหาได้โลกที่ไหนถ้าไม่ใช่ในตัวเราในเวลานี้ในโอกาสเนี่เราต้องให้ดูดีๆอยา่า ให้ม่เจียเวลาบ้าเ ก, กินไปมาอยู่ปฏิบัติตรรมห่วงโน่หนหน่ว น, น, น, นี่เป็นบริโภพูมันก็ไม่ค่อยดีเอาเลยไม่ใช่ว่าใครจะพิเศษกว่ากันมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละเราเป็นคนเหมือนกันมีความรักความจังมีความชอบไม่ชอบมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องเหมือนกันหมดไม่เป็นใครจอนจัดเกิดมาจากพรหไไม้เหมือนหนอนเหมือนเลยเหอนอนก็ยังมีเชื่ออยู่อนคนเราแท้ๆนี่พ่อแม่เลี้ยงมา คนช่วยเรามามีพ่อมีแม่เลี้ยงดูเรามาตนุตนอมเราก็มีเป็นอย่างนี้ก็ต้องจะทำให้บันคุ้มค่าการเกิดมาบ้างสักอย่างไะไรเลยก็ดีแหละไม่มีวิธีอื่นแล้วนานเหลือเกินเราเกิดมาดนานเหลือเกินเราก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ให้กำเนิดเกิดเรามาก็ดนานหลายชั่วคน น้พ่อของพ่อเรากลับไปข้างหลังเจ็ดชั่วโคตรนอนเหลือเกินใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเราเนี่ยพ่อแม่เราเคยบอกเคยสอนไหมปู่ย่าตายายเคยบอกเคยสอนเราไหมมันถึงโอกาสแล้วเวลาเนี่ยจะไปหาโอกาสที่ใดเราก็พร้อมอยู่แล้วอย่าไปเป็นบัพปูดอะไรมากมายตอนทากรรมฐานไม่อยู่กับเรา เอาโชคกาอแม้ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี้ไม่ได้ฟังหลวงพ่อเทศมันก็อยู่กับเราแล้วเ ร, เราก็เทศแต่เราอยู่สะพังอยู่สเสมอขี้ผิดขี้ถูกอยู่กับเราเห็นไหมความผิดมันเกิดขึ้นกับเราเห็นไหมความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเรามันขี้อบอกเราอยู่เราจะยมเราจะเป็นทาสเป็นขี้ข่าของมันจะไม่มีโอกาสที่จะให้มันเป็นนายอย่างนี้ไม่ได้เลย ให้ความโกรธความหลงเป็นนายเราเราเป็นทาสของความโกรธความโลภความหลงความละความยังความทุกข์อย่างมันก็โอ้ยเสียชาติแล้วคนเราถ้าจริงช่วยกันมาตั้งใจออกจากนี้ก็เอาไปมาอยู่กับเราอยู่ในกระเป๋ากางแเกงกระเปาเสื้อของเราความหลงความรู้อยู่ที่นั่นมีเครื่องไม้เครื่องมือทําความดีแต่พื้นตะเือไปมีเครื่องไม้เครื่องมือและความชั่วแต่พื้นตะเือไป ได้ย็นไหมดีขอบอกขอบใจที่พากันมานั่งมาปฏิบัติมาอยู่ที่นี่ไม่ลังเกียจเลยเชื่อใจดีใจผู้เทดยงไม่มาขอให้มาใครก็ตามพูดยงไม่มานั่นไม่ใช่คนชั่วเร็วจามก็คิดอยากให้มาเหมือนกันผู้ดีมาแล้วก็อยู่เป็นสุขเป็นสุขอย่าทะเลาะวิวาดกัน ให้เป็นงานอ kind of th ันเดียวกันต่างคนต่างลกความชั่วต่างคนต่างทางความดีน่ารักน่ารักที่สุดเลยเห็นยกมือจ้างใจวะเห็นเดินจงกรมโอ้ยเขากำลังละความชั่วเขาช่วยเตียงอยู่เป็นบุญแล้วมีอะไรช่วยกันก็ช่วยกันคนอย่างนั้นเขากำลังละความชั่วเขาลังทำความดีถ้าช่วยคนที่ละความชั่วทำความดีเป็นบุญไม่ใช่ไปใช่โจรผู้ร้ายฮะเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวว่า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 กราบพระกราบไม่ถูกพระท่านสอนท่านสอนให้ยกมือช่างเจ้ากราบยังไงว่าอย่างไงท่านก็สอนเดิยนยังไงอย่ามารยาดยังไงให้เป็นแหล่งการศึกษาวัดว่าลามช่วยกันอย่ามั่วไปใครใคนใด ค, ค, คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบมาช่วยกันเห็นพระสงฆ์หอมผ้าแดง น, น้อยน่ารักน่ารักเดินไปกับแดง น, น้อยรูปหัวรูปไหลน่ารักมากอย่าทอดอย่าเที่ยงกัน ชวนกันไปมองกันในแดีเห็นคนหลงเห็นคนโกรธก็น่าสงสารอย่าไปเกียดเขาเห็นคนทำดีก็จำสนุนเห็นคนโกรธก็ชิดช่วยเขาเห็นผู้ชั่วก็ชิดช่วยเขาอาจารย์เจนเนตเฮกโกอินหลวงพ่อจำมามีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนมาอยู่แต่ลูกศิษย์คนหนึ่งรักขโมยแจงก็จับได้นำมาฟ้องอาจารย์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 พานออกไปได้เลยไม่ทำชั่วแล้วคนเขาไม่ดีให้เขาอยู่กับเรานี้ดูสิ <laughs> ไม่รักเกียดเลย <laughs> เ อ, อช่วยกันช่วยคนอย่างนั้นล่ละนะจะดีมากเลยให้ท้องตากเพื่อนไฟัง